ส่วนมากมันก็เอียงไปข้างยินดีข้างยินร้ายนั่นแหละอันนี้ให้พึงเข้าใจเนี่ยจุดเริ่มเริ่มต้นก่อตัวของกิเลสบาปธรรมอยู่ที่ความยินดียินร้ายนี่แหละที่แรกมันความยินดียินร้ายมยังอ่อนๆอยู่มันก็ยังไม่เกิดเป็นจิตอคุสลขึ้นอย่างรุนแรง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 เส้นอย่างาพูดกันว่ายินดีต้อนรับอะไรโมนี้เมื่อมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยขอแสดงความยินดีตอนรับอย่างนี้แต่ภ า, ายในจิตใจนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้แสดงอาการยินดีปฏิเสอะไรหรือล้นพ้นประมาณเหมือนอย่างวาจาคําพูดอันนี้เรียกว่าความยินดีแบบประกอบไปด้วยปัญญาอ่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 พระอระหรันต์น่ะท่านจะทําอะไรพูดอะไรก็เป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นอ่าแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นเป็นปกติอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรไปได้ตามคําพูดคําจาเหล่านั้นพูดแล้วก็แล้วไปมันก็หายไปจิตใจของท่านไม่ยึดถือเอาเรื่องที่พูดต่งางๆหมดนั้นมา เป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นอกิริยาอากิริยานี่หมายความว่าทำเรื่องนั้นจริงแต่แต่โดยพุทธิไณแล้วไม่เป็นอันทรรมพูดจริงแต่ไม่เป็นไม่เป็นกิริยาอาการที่ก่อให้เกิดกิเลสปาประธรรมอะไรเลย ศัพท์ว่าทรรมศัพท์ว่าพูดไปอย่างนั้นเฉยๆแต่เหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งจิตของท่านให้มีอาการต่างๆนั้นไม่ไม่มีอย่างนี้แหละเรียกว่าอากกิริยาจิตเะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ควรศึกษาให้รู้จุดมุ่งหมาย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 มุขคอนจะเอาตัวรอดจากทุกได้ก็เพราะมีปัญญาเท่านั้นแหละถ้าขาดปัญญาซะอย่างเดียวแล้วไม่แล้วเอาตัวรอดจากทุกไม่ได้เลยแม้ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงอนาคตเลยเช่น <c oughs> อย่างว่าเราบวชเข้ามาอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วไม่ทาความเพียรเห็นแต่แก่รับแกโนอน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 ต้องเว็นผู้มีใจเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักข้างชังนี่จึงถูกกำคำคาว่าพระหรือว่าบรรปะชิดให้พากันเข้าใจถ้าไปปล่อยใจข้งตนให้เอียงไปข้างยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นน่ะยังเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นแต่โดยสมมุติกันขึ้นมาโกนผมโกนคิ้ว น, นุ่งเหลืองห่มเหลือง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 ของครืหัดนั้นมันติดตามมาอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดต้องให้ตื่นตัวกันอันเป็นพระท่านว่าต้องละกา ม, มารมีมผู้จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนรมฌานอันนี้มันถูกต้องแล้วนะ <c oughs> ถ้าผู้จะเป็นพระนี่หากไม่ละกา ม, มารมแล้วถึงอยู่เป็นพระไปได้ก็มัวหมอง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 ของตนให้เป็นกลางอยู่ในระหว่างอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่แม้เป็นคารือหัดก็ตามมันก็มีหนะ้าที่ทุกคนจะต้องพยายามฝึ ก, กจิตของตนอนะให้เป็นกลางอยู่ได้แต่บางคารือหัดบางคนก็ยอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่ยอมฝึ ก, กจิตของตนให้เป็นกลางเลย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 พอตาได้เห็นรูปสวยๆงามๆเขาหน่อยก็เกิดรักเกิดใคร่อยากได้ขึ้นมาเอเพราะฉะนั้นเป็นคารืหัดมันถึงได้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายเดียว่าผู้ที่มักมากในกรรมเนี่ยจะรักษาสินข้อที่สามนั้นไม่ได้เลยส่วนมากก็ไปเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียกันไปอย่างนั้นนะ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 นั่งสมาธิภาวนาลงไปจะเป็นครือขัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหากข้ามใจตงตัวในห่างจากอารมณ์น่ารักน่าใคร่น่าเก ล, ลียดน่าชังต่างวันนั้นให้ใจมันสงบลงไปได้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นนี้มันก็จะเห็นโทษแห่งความรักความใคร่เกินขอบเขตนั้นอคันถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม ถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ร่วงวิเนยน้อยใหญ่อันเกี่ยวกับราคะตัณหานั้นนี่มันมันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแหละทั้งคราหัตทั้งนักบวชการปฏิบัติทำใจของตนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่นะมไม่ใช่ว่าพอแต่ทาใจให้เป็นกลางวางใจใเป็นหนึ่งเท่านั้นแล้วกิเลสจะหมดสิ้นไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันเข้าใจผิดกัน อันนี้เป็นแต่เพียงพักผ่อนจิตใจเป็นครั่งเป็นคาวไปเท่านั้นเองหละหลังจากกิเลสเผาเล่าร้อนมาพอแรงแล้วเราก็มาทำความเพียรยึดเอาสินเอาทมเอาบุญกุศลหรือเอากรรมฐานอันหนึ่งเป็นอารมณ์เพ่งเมื่อเห็นคุณแห่งสินแห่งธรรมเห็นกรรมฐานอะไดหนึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจก็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 มีอุบายแยบคายวินิจฉัยตัวเองอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดมีอุบายแยบคายวินิจฉัยตัวเองได้อย่างว่านียนะผู้นั้นก็จะตื่นตัวเลยสามารถที่จะละความชั่วได้ทำความดีได้เปน็นขั้นขั้นขึ้นไปตามกำลังความสามารถของตนของตนหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนานี่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 เมืบุคคลที่มีกรรมชั่วติดตัวมาชนิดไหนกรรมชั่วนั้นมันก็มาแต่งร่างอันนี้ให้อไม่สมประกอบแล้วธรรมดาเรื่องกรรมชั่วนี่นะอันมันจะแต่งให้ดีไม่มีนี่จะแต่งให้ขี้ร้ายนั่นแหลอะออ ว, วัยวะร่างกายบุคคงไม่สมบูรณ์นั่นเรียกว่ากรรมชั่วมันแต่งบันนี้เมื่อผู้ใดมีอ ว, วัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนไม่วิบัติขัดข้องอย่างนี้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 เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดเอียกขอให้เกิดดีธรรมดาคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะทำยังไงมัน่จะเกิดดีได้เอาก็ทำกรรมดีเลยนี่ทำกรรมดีใส่กายว า, จายใจใจทังตัวเองเข้าไปสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็เพียรละออกไปเช่นนี้ <c oughs> แล้วกรรมดีนะั้นมันก็จะแต่งให้ได้รูปร่างอันสวยงามสมประสงค์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 สํารวมไปแต่มันยัง <c oughs> อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ยังลากกิเลสตัณหาให้หมดไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ต้องเป็นกุศลกามมาวจรติดตามไปตกแต่งอวัยวะหรือว่าธาตุสี่ขันหานี้ให้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พูดถึงกุศลกรรมกรรมดีที่บุคคลกระทำเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ใจเลี้ยวไปเกิดในสวรรค์โมนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลผู้เป็นมนุษย์เรานี่แหละเมื่อเป็นมนุษย์ตื่นตัวได้รู้เหตุปัจจัยของชีวิตว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างว่านี่นะแล้วก็เพียรพยายาม ร, รับละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจของตนเท่าที่จะลาดได้แล้วก็เพียรพยายามบําเพ็ญบุญกุศลคุณความดีให้เกิดมีในตน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตของตอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะอันนี้แหละทีนี่เมื่อผู้ใดสะสมบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วเรื่องบาปก็ไม่ทำอย่างนี้ตายแล้วมันก็ตรงไปเกิดสวรรค์เท่านั้นเองเนี่ยจะไม่ไปไหน <c oughs> นั่นแหละผู้ที่มารู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะพยายามหลีกเลี่ยงจากกรรมอันชั่วเลยไปทีเดียวผู้นั้นนะอจะพยายามสั่งสมแต่กรรมอันดีใส่ตัวเองสัมรวมในศีลทำสินให้บริสุทธิ์ผู้อยู่ครองเรือนก็ต้องสัมรวมในศินห้ากรรมบทจิให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะหรือว่าผู้นุ่งขาวผมขาวก็สัมรวมในศินแป หรือว่าผู้รักษาโสดิรนก็สำรวมในศีลโสดนั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันด่างมันพร้อยเรียวว่าสำรวมผู้ที่เป็นนักบวชก็สำรวมในทิ่ขาบทเป็นพระก็สำรวมในพระปฏิโมกให้บริสุทธิ์ เป็นสามเณรก็สำรวมในศีลสิบให้บริสุทธิ์อย่าไปล่วงศีลอย่าไปทำศีลให้ขาดอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็สำรวมจิตใจอัตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณความดีเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทำใจให้สงบอย่างละเอียดละออไม่ได้แต่ขอให้เราเชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ เชื่อมั่นในศีลในคุณของศีลอย่างนี้นะมันก็ทําใจให้ตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันนะตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเนี่ยก็เป็นสมาธิภาวนาเหมือนกันนะ <c oughs> สํารวมในปัญญาแล้วก็มั่นไข้ควรพิจารณาธาตุสี่ขันห้าให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้วถึงถ้าหาว่าแม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรในชาติปัจจุบันเนี่ย ก็จะเป็นลุกพนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อยินสิมแก่กล้าขึ้นไปได้ฟังธรรมเทศนาของุติเจ้าในชาติต่อไปนั้นก็สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นจากกิจสันดานได้โดยง่ายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้